ข้อที่สามสิบสามอีกอย่างหนึ่งภัยอุปธวะและอุปศักเหล่าใดเหล่านึง่งมีอยู่ภัยอุปทวะและอุปศักเหล่านั้นทั้งหมดยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนผ่านทางนั้นความจริงคนผ่านเมื่อต้องการความเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือความเป็นอุปราชก็หรือตำแหน่งสูงท่งอย่างอื่น ชักชวนพวกนักเลงโตเช่นกับตัวเองสองถึงสคนแล้วพูดว่ามาเถิดพวกท่านเราจะทำพวกท่านให้เป็นใหญ่ดังนี้แล้วจึงอาศัยสถานที่มีชักภูเขาเป็นต้นปล้นสะดมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ชายแดนปล้นนิคมบ้างชวน้ำบดบ้างโดยลำดับพวกชาวบ้านจึงละทิ้งบ้านเรือน แล้วปรารถนาสถานที่ปลอดภัยพาการอพยพไปเราภิกษุก็ดีเราภิกษุณีก็ดีผัวสายชาวบ้านเหล่านั้นอยู่ก็ปล่อยทิ้งที่อยู่ของตนของตนหลีกไปภิกษาก็ดีเสนาสนะก็ดีในที่ที่ภิกษุและภิกษุณีเหล่านั้นไปแล้วไปแล้วย่อมหาได้ยากในหมู่บรรพชิตเล่าภิกษุพานสองรูป ก่อการวิวาทกันและกันจึงเริ่มฟ้องร้องกันขึ้นความทะเลาะครั้งใหญ่ย่อมเกิดขึ้นเหมือนที่เกิดขึ้นแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีฉะนั้นด้วยประการชนี้เหตุแห่งทุกมีภัยเป็นต้นมาถึงแก่บริษัททั้ง4ี่เราอาศัยคนผ่านอย่างนี้เพราะเหตุนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในลักษณะ สูตรอันเป็นสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งปวงในติกนิบาตอังคุตรานิกายว่าภิกษุทั้งหลายไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนย้าย่อมไม่แม้เรือนยอดทั้งหลายที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมเข้าไม่ได้มีบานประตูมิดชิดมีหน้าต่างอันปิดแล้วแม้ฉันใด ภ uh ิก huh. ษุทั้งหลายภัยเหล่าได้เหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นภัยเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปัทวะเหล่าไดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นอุปัตถวะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่านหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปสรักเหล่าได้เหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นอุปสรรคเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนผ่าน หาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่ฉันนั้นเหมือนกันแลพิกสูตรทั้งหลายคนพานมีไัยเฉพาะหน้าบัณฑิตหาไัยเฉพาะหน้ามิได้คนพานมีอุปัตถวะบัณฑิตหาอุปัตถวะไม่ได้คนพานมีอุปศักค์บัณฑิตหาอุปศักค์ไม่ได้ด้วยประการชนี้แลพิกสูตรทั้งหลายภัยย่อมไม่มีแต่บัณฑิต อุปทวะยย่อมไม่มีแต่บัณฑิตอุปสรรคย่อมไม่มีแต่บัณฑิต